สลายตนาวัตรสลายตนาสังยุตประมวลเรื่องอายตนาหกว่าด้วยความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาของอายตนาภายในอายตนาภายนอกที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่สาวกในโอกาสต่างๆรวมถึงการประทานพระโอวาทแก่ภิกษุผู้อาพาธหนักเพื่อให้พิจารณาเห็นสัจจะแห่งชีวิต น่าสังเกตว่าพระพุทธองค์ทรงให้ความสนใจเรื่องนี้เป็นพิเศษจะขอประมวลมาเพียงสูตรดังนี้หนึ่งโลกะสูตรภิกษุรูปหนึ่งทูลถามว่าที่เรียกว่าโลกโลกนั้นได้แก่อะไรพระพุทธองค์ตรัสว่าที่เรียกว่าโลกเพราะจะต้องแตกสลายจักสุแตกสลายรูปแตกสลาย จักสุวิญญาณแตกสลายจักสุสัมผัสแตกสลายสุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกขมะสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะจักสุสัมผัสเป็นปัจจัยแตกสลายเป็นต้นใจแตกสลายธรรมารมแตกสลายมโนวิญญาณแตกสลายสุขเวทนาทุกเวทนาหรืออทุกขมะสุขเวทนาที่เกิดขึ้น เพราะมโนสัมผัสเป็นปัจจัยแตกสลายที่เรียกว่าโลกเพราะจะต้องแตกสลายอย่างนี้สองสุญญสูตรพระอานนทุลถามว่าที่ว่าโลกว่างว่างนั้นว่างจากอะไรพระพุทธองค์ตรัสว่าที่เรียกว่าโลกว่างว่างเพราะว่างจากตัวฉัน จักสุว่างเปล่ารูปว่างเปล่าจักสุวิญญาณว่างเปล่าจักสุสัมผัสว่างเปล่าสุขเวทนาทุกขเวทนาอทุกขมะสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะจักสุสัมผัสเป็นปัจจัยก็ว่างเปล่าจากตัวฉันจากของฉันเป็นต้นใจธรรมารมมโนวิญญาณมโนสัมผัส สุขเวทนาทุกขเวทนาหรือทุกขมะสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเป็นปัจจัยก็ว่างเปล่าจากตัวฉันจากของฉันฉะนั้นจึงเรียกว่าโลกว่างเปล่า 3. อุทกะสูตรพระพุทธเจ้าตรัสแก่พระภิกษุทั้งหลายว่าอุทกะกดาบทรามบุตร อาจารย์เก่าของพระองค์คุยว่าตนรู้จบพระเวทเป็นผู้ชนะทุกอย่างขุดรากเงาของทุกแต่ที่จริงแล้วหาเป็นเช่นนั้นไม่ภิกษุที่รู้การเกิดดับคุณโทษและการสลัดออกซึ่งผัสสะยตนะหกตามเป็นจริงแล้วหลุดพ้นเพราะไม่ยึดมั่นถือมั่นจึงจะเรียกว่าผู้ชนะทุกอย่างผู้ที่ละตันหาซึ่งเรียกว่าคันธมูน คือรากเงาแห่งทุกขุดรากถอนโคนไม่ให้เกิดขึ้นอีกต่อไปจึงจะเรียกว่าผู้ขุดรากเงาของทุกข์ 4. เวสาลีสูตรอุคคะเขรหะบดีทูลถามว่าอะไรเป็นเงื่อนไขให้สัตว์บางจำพวกไม่ปริสนิพพานในปัจจุบันบางจำพวกปริสนิพพานในปัจจุบัน พระพุทธเจ้าตรัสว่ารูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมารมณ์อันน่าปรารถนาน่าใครหน่าพอใจน่ารักชักให้ใครชวนให้กำนัดหากภิกษุเพลิดเพลินหมกมุ่นผัวพันรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรร ม, มารมณ์นั้นวิญญาณอันอาศัยตัณหาก็จะเกิดอุปาทานอันอาศัยตัณหาก็จะเกิด ผู้ที่มีอุ ป, ปาทานย่อมไม่ป ร, ริถนิพพานในปัจจุบันผู้ที่ป ร, ริถนิพพานในปัจจุบันพึงทราบโดยในตรงกันข้าม5ภาระทวะชะสูตรพระเจ้าอุเทนตรัสถามพระปิณโทละพาระทวาชะว่าอะไรเป็นเงื่อนไขให้พระหนุ่มแน่นยาวไวผมดำสนิทยังไม่หมดความรู้สึกทางกามารมณ์ ประพฤติปรมาจันทร์บริสุทธิ์บริบูรณ์ตลอดชีวิตพระปิโฑลภารัวาชาตอบว่าเพราะปฏิบัติตามพระโอวาทของพระศาสดา ว, ว่าให้คิดว่าสตรีที่อยู่ในวัยปูนพี่สาวน้องสาวเป็นพี่สาวน้องสาวของตนสตรีปูน ล, ลูกสาวเป็นลูกสาวของตนพระราชาทรงซักต่อไปว่าธรรมดาจิตของคนมักโลเล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 ถูกต้องสัมผัสคิดมโนภาพก็ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกันภิกษุหนุ่มแน่นยาวไวผมดำสนิทที่ยังไม่หมดความรู้สึกทางการมรมปฏิบัติได้อย่างนี้จะสามารถประพฤติพรหมจรรย์ได้บริสุทธิ์บริบูรณ์ตลอดชีวิต 6. เวรหันจานีสูตรนางเวรหันจานีโคต อยากสนทนาธรรมกับพระอุทายีจึงนิมนต์ท่านไปฉันที่บ้านตามคําแนะนําของมานพผู้เป็นสิทธิ์แต่ไม่แสดงความเคารพนั่งบนอาสนะสูงสวมรองเท้าคลุมศีรษะพระเถระไม่สนทนาด้วยบอกว่าเอาไว้วันหลังต่อเมื่อรู้สึกตัวผิดจึงนิมนต์ท่านไปฉันอีกแสดงความเคารพนั่งอาสนะต่ํากว่าไม่สวมรองเท้าไม่คลุมศีสัก นางถามพระเทระว่าเมื่ออะไรมีพระอรหันต์ทั้งหลายจึงบัญญัติว่าสุขและทุกมีเมื่ออะไรไม่มีจึงบัญญัติว่าสุขและทุกไม่มีพระเทระตอบว่าเมื่อจักสุโสตะคานะจิวหากายบโนเมื่อทั้งหมดที่กล่าวมานี้มีพระอรหันต์ทั้งหลายบัญญัติว่าสุขและทุกมี เมื่อจักสุโสตะคานะชิวหากายมโนไม่มีจึงบัญญัติว่าสุขและทุกข์ไม่มีคำว่ามีไม่มีในทางธรรมะหมายถึงเวลาที่อายตนะเหล่านั้นพร้อมที่จะทำหน้าที่เวลาธรรมดาถึงมันจะมีท่านก็ไม่นับว่ามีเจ็ดขณะสูตร พระพุทธเจ้าตรัสว่ามีนรกชื่อภัสสะยตานิกะนรกมีสวรรค์ชื่อภัสสะยตานิกะสวรรค์โดยอธิบายว่าถ้าเห็นรูปได้ยินเสียงดมกลิ่นลิ้มรส ถ, ถูกต้องสัมผัสคิดมโนภาพอะไรเห็นว่าไม่น่าปรารถนาไม่น่าใครไม่น่าพอใจอย่างนี้เรียกว่าภัสสะยตานิกะนรก ถ้าเห็นรูปได้ยินเสียงเป็นต้นเห็นว่าหน้าปรารถนาหน้าใคร้หน้าพอใจอย่างนี้เรียกว่าผัสสายตะนิกะสวรรค์พระสูตรนี้แสดงว่านรกสวรรค์อยู่ที่ตาหูเป็นต้นดังคำพังเพยไทยว่าสวรรค์ในอกนรกในใจหมายเหตุผู้อ่านแต่อย่าเข้าใจผิดว่านรกสวรรค์เป็นแค่คาเปรียบเทย พระสูตรนี้แสดงถึงนรกและสวรรค์ในรูปแบบหนึ่งเท่านั้นนะครับยังมีนรกและสวรรค์ที่เป็นภพภูมิอยู่จริงและยังมีกล่าวอยู่ในพระสูตรอื่นอีกด้วยการศึกษาธรรมะต้องศึกษาให้แตกฉานและรู้รอบรู้ทุกไตยยครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมดนะครับอย่าจับส่วนใดส่วนหนึ่งมายึดว่านี่เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าเพราะในความจริงในแต่ละบทล้วนมีคําอธิบายมีไตยยแฝง และมีเนื้อหาพิสดารแตกต่างกันไปต้องพยายามเปิดใจและศึกษาให้ละเอียดก่อนนะครับ